ให้ความจําดีข้อที่6การสาธยายมนหรือการสวดมนต์หมายถึงการบริกรรมคือการนึกซ้ำๆอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวด้วยความเข้าใจการภาวนาถึงอารมณ์ของสมาธิในเรื่องไหนก็ตามแต่าหากเป็นการภาวนาแบบนกแก้วนกขุนทองคือไม่เข้าใจความหมายแต่ก็สามารถทําใจให้เป็นสมาธิมีสติอยู่กับตัวได้ทุกคํา วิธีนี้แม้จะช่วยให้เกิดความจำดีก็ยังมีผลน้อยหรืออีกในย่าหนึ่งถ้าคนไหนสามารถที่จะนึกถึงภาพอันใดอันหนึ่งขึ้นมาได้อย่างชัดเจนและสามารถเปลี่ยนได้ฉับพลันคือเมื่อต้องการจะให้มโนภาพอันใดเกิดขึ้นในใจก็สามารถทำได้ทันทีและไม่มีภาพอื่นมาซ้อนคือเมื่อต้องการจะนึกถึงภาพใดก็มีแต่ภาพนั้น และเมื่อต้องการจะให้ภาพอันนั้นหายเพื่อที่จะนึกถึงภาพอย่างอื่นภาพที่ต้องการจะให้หายนั้นก็หายไปทันทีการฝึกสมาธิแบบนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้มีความจําดีเพราะจะช่วยทําให้สมองมีความสามารถในการจดจําสิ่งต่างๆแม่นยําและว่องไวขึ้นก็จริงแต่วิธีทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้วยังช่วยได้ไม่เท่าไรนักส่วนวิธีที่วิเศษกว่านั้น คือการสาธยายมนการสาธยายมนคือการบริกรรมถึงข้อความที่เข้าใจอยู่แล้วซึ่งต้องบริกรรมอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อที่จะให้เข้าใจแ จ, จ่มแจ้งยิ่งขึ้นโดยลาดับเช่นคําสอนของพระพุทธเจ้าบทใดซึ่งเราเข้าใจซึ่งอยู่แล้วก็ต้องพยายามหมันน่นนทบทวนบ่อยๆและการทบทวนที่ว่านี้ต้องทาด้วยใจที่เป็นสมาธิ คือทุกขณะที่นึกสติจะต้องอยู่กับคำพู้ที่นึกทุกคำความคิดอย่างอื่นแทรกเข้ามาไม่ได้การทบทวนเช่นนี้เรียกว่าการสาธยายมนเพราะคำว่าสาธยายแปลว่าการท่องหรือการทบทวนส่วนคำว่ามนมาจากคำว่ามันตะซึ่งแปลว่าปัญญาหรือการใช้ความคิดอย่างมีความเข้าใจ พระอ า, หารหันต์ก็ดีหรือพวกพราหมณ์ในสมัยโบราณก็ดีซึ่งปรากฏว่าเป็นผู้มีความจําวิเศษมากนั้นท่านเหล่านี้มีความจําดีก็โดยอาศัยหลักการสาธยายมนอันนี้แหะจงสังเกตให้ดีว่าการสาธยายถ้าทําไปโดยไม่เข้าใจความหมายหรือเข้าใจไม่ซึง้งจะได้ผลในทางสร้างสมองให้ดีขึ้นน้อยมากแต่ถ้าสาธยายด้วยความเข้าใจ จะทำให้สมองดีขึ้นอย่างรวดเร็วและถ้าความเข้าใจอันนั้นลึกซึ้งขึ้นเพียงไรก็หมายถึงสมองจะพิเศษขึ้นเพียงนั้นการสาธยายมนเราอาจจะทำกับวิชาอื่นๆได้ทุกวิชาที่เราต้องการจะจำให้แม่นยำแต่มันจะมีผลแตกต่างกันอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือการสาธยายมนซึ่งหมายถึงการสาธยายด้วยการใช้ความคิดอย่างมีความเข้าใจด้วย ถ้าเป็นวิชาในทางโลกมันก็อาจจะทำให้มีผลแต่เพียงทําใจให้สงบมีสมาธิดีในขณะนั้นแต่ผลอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นผลที่วิเศษสุดคือความผ่องใสหรือความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสจะมีผลน้อยหรืออาจจะไม่มีผลเลยถ้าเป็นการสาธยายถึงวิชาการในทางโลก ส่วนการสัทยายคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นไปเพื่อการละตัณหาอุปาทานและละกิเลสอื่นๆการสาทยายแบบนี้จะทําให้สันดานคือจิตใจส่วนลึกค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นความบริสุทธิ์ของจิตใจซึ่งในความหมายที่เด่นชัดแล้วหมายถึงตัณหาอุปาทานทิฏฐิมานะและอวิชชาตลอดถึงความโลภความโกรธหรือความขุนมัวค่อยๆจางไปจากจิตใจ น, นีละคือรากฐานที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราเกิดมามีสมองดีวิเศษเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวิญญาณในส่วนนี้